อิสริยยศอิสริยยศแปลว่าความเป็นใหญ่ความหมายตรงกันกันกบคำว่าอิสรัคคำว่าอิสริยยศก็แปลว่ายิ่งด้วยความเป็นใหญ่ฟังคำแปลเพียงเท่านี้ดูจะสอบความหมายแคบทำให้บางท่านอาจคิดว่าเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวเพราะนึกว่า ตนเองไม่เคยทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตเรื่องการอยากเป็นใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองเขาอย่างนี้ก็เป็นได้เนื่องจากเราชินกับคําว่าอิสริยะในรูปฐานันดรศักิ์นั่นเองที่จริงคําว่าอิสริยะหรืออิสระที่แปลว่าเป็นใหญ่นั้นมีอยู่สองชั้นหรือสองสถาน คืออิสริยะโดยกำเนิดกับอิสริยะโดยการแต่งตั้งอิสริยะโดยกำเนิดคือความเป็นใหญ่ตามธรรมดาที่ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะพึงมีกันสมัยนี้เรียกอิสริยะประเภทนี้ว่าอิสรภาพความหมายก็คือความเป็นใหญ่แก่ตัวเองปกครองตนเองได้ ถ้าอยากเข้าใจแน่ๆว่าอิสระ ค, คืออะไรและดีอย่างไรก็ให้นึกถึงความเป็นอยู่ของเรากับความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจําต่างกันอย่างไรพวกเราอยู่อย่างนี้ล้วนแต่เป็นใหญ่แก่ตัวทั้งนั้นมันแสนจะสบายจะไปไหนๆก็ได้มาฟังปาฐกถาอย่างนี้ก็ได้ไปดูหนังดูละครก็ได้ หรือไม่อยากไปไหนจะนอนเอกเนกอยู่กับบ้านก็ไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรฝ่ายพวกนักโทษนั้นถูกลดอิสริยะลงพูดอย่างไทยๆว่าถูกถอดความเป็นใหญ่เสียจแล้วอะไรๆกลับเล็กลงไปหมายความว่าเลิกใหญ่เสียชั่วครู่หนึ่งเมื่อหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ปกครองตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนอื่นช่วยปกครองจงยืนเดินนั่งนอนก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองจะบงการทั้งสิ้นจะทำอะไรก็ไม่สะดวกสักอย่างคนอย่างนั้นเคราะห์ร้ายมากคนทั้งหลายเขามีตัวมีใจและมีความเป็นใหญ่แต่คนต้องโทษนั้นถูกตัดไปเสียหนึ่งคือความเป็นใหญ่ จึงเหลือแต่ตัวกับใจเท่านั้นพูดให้ทันสมัยหน่อยก็ต้องว่าเป็นคนหมดอิสราภาพแล้วเท่านี้ก็เทียบกันดูได้แล้วว่าชีวิตของคนมีอิสริยะกับคนไม่มีอิสริยะไหนจะดีกว่ากันและท่านเองต้องการอิสริยะหรือไม่อิสริยะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ แต่เนื่องจากเป็นความปรารถนาชนิดมีเป็นพื้นอยู่ในใจแล้วถ้าไม่สังเกตจึงไม่รู้ว่ามีเหมือนกับเราต้องการอากาศซึ่งเป็นความต้องการที่มีอยู่เสมอจนลืมไปว่าตนไม่ได้ต้องการอะไรแต่เมื่อไหร่ตกไปอยู่ในที่อับอากาศจึงจะรู้ว่าตนมีความต้องการอากาศการต้องการอิสริยะนี้ก็เหมือนกัน ความต้องการชนิดนี้จะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณก็เห็นจะได้ส่วนความคิดที่ว่าเราไม่เห็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอะไรใครจะเป็นก็เชิญนั้นเป็นความคิดชั้นนอกและมุ่งไปถึงเรื่องความทะเยอทะยานอยากเป็นเจ้าคนนายคนอย่างนอกหน้าถ้าอยากจะทดสอบดูว่าความปรารถนาอิสริยะของเรามีหรือไม่ ลองถูกจับมัดมือหรือถูกขังในที่แคบๆดูสักวันแล้วจึงถามความประสงค์ดูว่าอยากถูกขังไปเรื่อยๆอยากถูกจับมัดมือไปเรื่อยๆหรืออยากให้ปล่อยทุกคนก็อยากให้ปล่อยทั้งนั้นถ้าเป็นคนสติบริบูรณ์ความคิดที่อยากให้เขาปล่อยตัวนั่นแหละคือความคิดที่อยากเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่า ต้องการอิสระภาพบางทีไม่ถึงกับต้องถูกขังเอาเพียงถูกคุมตัวก็พอคือจะไปไหนไหนให้มีตำรวจคุมตัวไปเรื่อยเขาสั่งให้หยุดหยุดเขาสั่งให้ไปไปเท่านี้ก็รำคาญแทบแย่แล้วสู้เราอยู่ของเราอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้นี่เป็นข้อที่จะทดสอบดูว่า อิสริยยศเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่โดยธรรมดาแล้วแล้วพร้อมกันนั้นการเสื่อมยศคือการที่ถูกลดความเป็นใหญ่ลงก็เป็นสิ่งที่คนไม่ชอบไปด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงยกเอาการได้ยศเสื่อมยศเป็นโลกธรรมเกิดขึ้นแก่คนทุกคนนั้นเป็นความจริงที่ขานไม่ได้เลยชั้นที่สุด แม้แต่เด็กๆพอเริ่มรู้เดียงสาก็เริ่มรักความเป็นใหญ่อยากมีอิสรภาพอยากเป็นตัวของตัวเองลองจับเด็กมาเอาผ้ามัดมือมัดเท้าไว้ประเดี๋ยวก็รู้เรื่องว่าเขาไม่ชอบการเสียอิสรภาพและมีการดิ้นรนเพื่อให้ได้อิสรภาพที่สูญเสียไปแล้วคืนมาเด็กรุ่นโตหน่อย อยากแย่งกันทาหน้าที่เป็นใหญ่ในหมู่เพื่อเล่นเช่นเวลาเล่นหมักเก็บก็อยากเป็นคนขึ้นต้นเวลาเกิดการขัดแย้งกันก็อยากแสดงตัวเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดชอบเดินนำหน้าคนอื่นชอบได้เป็นหัวหน้าชั้นเหล่านี้เป็นความต้องการความเป็นใหญ่ที่พองตัวขึ้นจากเดิมซึ่งเพียงแต่อยากเป็นตัวของตัวเอง กลายเป็นอยากเป็นใหญ่เหนือคนอื่นคือในวงเพื่อนๆนครั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความต้องการอิสรภาพนี้ก็ยิ่งพองตัวขึ้นมากแทนที่จะอยากเป็นใหญ่แต่เพียงเหนือเพื่อนๆนก็กลายเป็นว่าอยากมีอํานาจเหนือคนทั้งเมืองหรือทั้งประเทศบางทีถึงกับแย่งกันเป็นก็มีอยู่ถมไปที่ว่ามานี้ ว่าถึงความต้องการอิสริยยศคือความเป็นใหญ่เป็นอิสระแก่ตัวตามธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาเพื่อให้ท่านผู้ฟังมองเห็นทางได้ทางเสียของอิสริยยศชัดเจนยิ่งขึ้นขบจ้าจะได้พูดถึงอิสริยยศที่เห็นกันง่ายๆคือที่มีการแต่งตั้งมีการให้มีการถอด เท่าที่รู้เห็นอยู่ทั่วไปอิสริยยศโดยการแต่งตั้งคือมีผู้อื่นแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ตั้งแต่ใหญ่น้อยขึ้นไปถึงใหญ่มากสำหรับทางทหารตำรวจให้ยศไว้ต่างหากแยกจากศักดิ์คือตำแหน่งหน้าที่ส่วนทางพลเรือนเอาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เป็นยศต่างกันนิดหน่อย นอกจากยศของชาวบ้านแล้วของพระก็มีโดยพระราชาพระราชทานบ้างผู้ที่ได้รับพระราชทานแล้วไปแต่งตั้งขึ้นบ้างตามอำนาจหน้าที่ที่จะพึงกระทาได้แต่ว่าความจริงแล้วที่พระราชาพระาพระชาชทานแก่พระสงฆ์นั้นไม่ใช่ยศแต่เป็นศักดิ์ถึงภาษาหนังสือก็ใช้ว่าพระราชทานสมณศักดิ์ ไม่ได้หมายว่าพระราชทานสมณยศแต่ว่าถึงพัดซึ่งพระราชทานให้เป็นเครื่องหมายกลับเรียกว่าพัยดยศไม่เรียกว่าพัดศักดูออกจะไขว้หัวไขว้ท้ายยุ่งยุ่งอยู่แต่เนื่องจากเป็นเรื่องยุ่งที่เกิดนานจนกลายเป็นโบราณวัตถุไปแล้วเลยไม่ถือว่ายุ่งตอน ทางไปทางมาของอิสริยยศอิสริยยศต้องมีผู้ให้จึงได้ผู้ที่จะให้ก็ต้องเป็นคนมีอิสริยะเหนือผู้รับไม่เช่นนั้นให้ไม่ได้ตามธรรมดาพระราชาเป็นผู้ให้เพราะพระราชามีอิสริยะเหนือคนอื่นท่านเห็นว่าเราควรมียศท่านก็ให้ยศแล้วเราก็กลายเป็นคนมียศ นี่พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านหมายความว่าท่านเห็นว่าเราดีท่านก็เอายศมาให้เป็นการเข้าหุ้นกับเราผมคิดว่าอิสริยยศนี้เหมือนของฝากไม่ใช่ของเราแท้เหมือนกับว่าเมื่อใครเขาเห็นว่าเราดีเขาจึงเอาเงินเอาทองมาฝากเราไว้อยู่ไปนานเข้าเรายิ่งทำความดีให้เขาเห็น เป็นคนเรียบร้อยน่าฝากเขาก็เอามาฝากเพิ่มอีกแต่ถ้าเราประพฤติตัวเหลวไหลสมรเลเทมาเขาเห็นว่าเราเป็นคนไม่น่าไว้ใจเขาก็งดฝากดูรัดเราไปก่อนเห็นถ้าไม่ดีจริงๆเขาก็เพียงเอาจำนวนที่ฝากไว้แล้วขึ้นเสียด้วยเรื่องของยศก็เหมือนกันท่านเห็นว่าเราเป็นคนดีท่านก็เอายศมาฝากไว้ ถ้าทำดีต่อไปท่านก็ฝากเพิ่มอีกเราก็มียศมากขึ้นจากร้อยตรีเป็นร้อยโทจากร้อยโทเป็นร้อยเอกจนกระทั่งถึงจอมพลทีนี้ครั้งอยู่ไปอยู่ไปเราเกิดประพฤติตัวไม่ดีไม่เข้าทีท่านก็งดฝากดูด้านเราไปก่อนถ้าท่านไม่ฝากยศเราก็ไม่ขึ้น ยิ่งถ้าเรากลายเป็นขี้เล่าเมายาขี้ช่อขี้โกงท่านเห็นท่าไม่ชอบกลืนฝากไว้ก็คงจะเอาไปโปรยทิ้งกลางถนนเป็นแน่ท่านก็ต้องทวงของท่านคืนอย่างนี้จะว่าท่านก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ฝากเดิมทีธนาคารเรามันก็เป็นตึกใหญ่โตน่าไว้วางใจแต่ต่อมามันกลายเป็นธนาคารหลังคาจาก แผงลอยจะให้ท่านผู้ฝากไว้วางใจได้อย่างไร อ, อกท่าน อ, อกเราคิดดูเองก็แล้วกันเมื่อท่านทวงเอายศของท่านคืนความมียศของเราก็สิ้นสุดลงการที่ความมียศสิ้นสุดหรือลดลงนี่แหละเรียกว่าความเสื่อมยศคนที่ถูกคืนยศหมดแล้วก็กลายเป็นคนตะสีตาสาตามเดิม แม้ความเป็นใหญ่ที่เป็นอิสริยะโดยกำเนิดซึ่งเรียกว่าอิสรภาพอันมีอยู่แก่คนทั่วไปนั้นถ้าพิจารณากันถึงพื้นฐานที่ไปที่มาจริงๆก็อยู่ในลักษณะที่ว่าพระราชาหรือรัฐเป็นผู้ให้อยู่นั่นเองแต่เป็นการให้ไว้ทางกฎหมายคือแทนที่จะเรียกตัวมาให้เป็นคนคน ก็กำหนดให้ไว้ในกฎหมายเลยใครเกิดมาเป็นพลเมืองก็ได้โดยไม่รู้ตัวเรียกว่ามีอิสรภาพตามกฎหมายและอิสริยยศของประชาชนนี้ก็มีเสื่อมได้เหมือนกันคือถูกถอดคืนตามกฎหมายเช่นเราทำผิดไปปล้นสะดมคนอื่นหรือไปเที่ยวฆ่าฟันเขาท่านผู้ให้ คือรัฐก็เรียกเอาอิสริยะของท่านคืนไปชั่วระยะสมเดือนบ้างหกเดือนบ้างถึง10ปี20ปีก็มีบางรายถึงตลอดชีวิตถ้าทำผิดร้ายแรงจริงๆท่านก็เอาของท่านคืนหมดแม้แต่อิสรภาพที่จะอยู่ในคุกในตารางก็ไม่เหลือไม่ยอมให้อยู่บนแผ่นดินเอาทีเดียว เป็นการถอดอิสริยะอย่างหมดสิ้นจริงๆจนอยู่เมืองคนไม่ได้แล้วต้องส่งไปอยู่กับผีตอนผู้ควรได้อิสริยยศได้กล่าวมาแล้วว่าอิสริยยศเป็นของที่เขาให้หรือเป็นของฝากทีนี้จะว่าถึงคุณสมบัติของผู้ควรได้ยศหรือควรแก่การเพิ่มยศ ที่เป็นหลักใหญ่หญเห็นอยู่ทั่วไปต้องมีคุณสมบัติสอย่างคือ 1. เป็นคนมีความรู้ดี 2. เป็นคนมีความสามารถดีและ 3. เป็นคนมีความประพฤติดีพูดกันง่ายๆว่าต้องมีดีสามอย่างคือความรู้ดีความสามารถดีและความประพฤติดี ที่ว่ารู้ดีคือเป็นคนมีวิชาวความรู้ฉลาดแตกฉานในหน้าที่ของตนที่ว่าสามารถดีหมายความว่าเป็นคนสามารถที่จะนำความรู้ออกใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นพูดง่ายๆคือไม่ใช่ดีแต่รู้อวดยิงช้างอ้างยิงเสือแต่ทำอะไรไม่เป็นที่ว่าประพฤติดี คือคนที่มีความรู้และความสามารถในตัวทำเป็นสารพัดพูดก็เป็นสารพัดแต่ความประพฤติเหลวแหลกลเลอะเทอะคดในข้ององในกระดูกก็ใช้ไม่ได้คนที่เสียวความประพฤตินั้นแม้มียศก็รักษายศไว้ไม่ได้แล้วถ้าได้ยศมาก็มักจะใช้ยศในทางผิดกลายเป็นภัยแก่คนอื่น เหมือนยื่นอาวุธให้คนวิกจริถือระวังผู้ให้ยศนั้นเองก็จะปลอยเคราะหร้ายไปด้วยคุณสมบัติทั้งสานี้หมายความไปถึงการสนับสนุนการเลื่อนชั้นการเลือกตั้งตลอดจนการสถาปนาให้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยผู้ให้ยศแก่คนอื่นคือหมายถึงการสนับสนุนทั่วไปจะต้องเึกว่า ตัวเราเองเป็นเทวดามีอำนาจที่จะติดปีกให้สัตว์ทั้งหลายจะต้องพิจารณาให้รอบครอบว่าจะคิดให้แก่สัตว์ชนิดใดเพราะถ้าพลาดพลั้งเกิดไปติดปีกให้งูหรือเสือเข้าแล้วก็เท่ากับเพิ่มความร้ายให้มันอีกร้อยเท่าพันเท่าเพราะลาพังแต่มันไม่มีปีกมันก็ร้ายจนเหลือเกินแล้วคืนไปติดปีกให้มันเข้า ชาวบ้านชาวเมืองก็แย่ไปต่ตางๆกันแม้แต่เทวดาผู้ติดปีกให้ก็จะปล่อยแย่ไปด้วยการให้ยศแก่คนก็เท่ากับการติดปีกให้นั่นเองถ้าคนดีแล้วมียศ ด, ด้วยก็เกิดประโยชน์มากแต่ถ้าพลาดพลัง้งยศไปตกอยู่กับคนร้ายก็จะเป็นการเพิ่มความร้ายขึ้นให้เขาอีกร้อยเท่าพันเท่าน่ากลัวนัก